กัลารคติยวัคหมวดว่าด้วยพระกัลารคติยะภูตสูตรว่าด้วยภูตักภูตักหมายถึงขันห้าของสัตว์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นรับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสาวรีบุตร อาชิตตมานพได้กล่าวคถ า, านี้ไว้ในอาชิตตปัญหาปารายณวักว่าพระอระหันตกขีนาศบเหล่าใดผู้มีสังขารธรรมหมายถึงธรรมที่พระอระหันต์ทั้งหลายได้รู้แล้วเทียบเคียงไตร่ตรองแล้วคือพระอระหันต์ทั้งหลายรู้แจ้งแทงตลอดสัจจรพระอระหันต์ขี่นาศบเหล่าใดผู้มีสังขารธรรม และพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดําเนินชีวิตของพระอรหันตขีนาศกและพระเสขะเหล่านั้นสําหรับพระขีนาศพหมายถึงพระอรหันตผู้หลุดพ้นแล้วส่วนพระเสขะหมายถึงพระอริยะผู้บรรลุธรรม ตั้งแต่เบื้องต้นแต่ยังไม่ถึงอรหัตผลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคถาที่กล่าวโดยย่อนี้โดยพิสดารได้อย่างไรตรัสถึงสามครั้งท่านพระสารีบุตรก็นิ่งอยู่เช่นเดิมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสารีบุตร เธอเห็นรู้ว่านี้คือภูตาข่าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือภูตะครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะนี้เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้นบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตากใดเกิดแล้วภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะ ซึ่งมีความดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนั้นดับไปบุคคลชื่อว่าเป็นเสคะด้วยการปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะบุคคลชื่อว่ามีสังคารธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือภูตักครันเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับ เพราะไม่ถือมั่นภูตับบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะนี้เกิดเพราะอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุด พ, พ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้นบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าผู้ตะใดเกิดแล้ว ภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะที่มีความดับเป็นธรรมดาบุคคลชื่อว่ามีสังคาตธรรมเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้าพระองค์รู้เนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวไวโดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้ พระผู้มีพระภาตรัสว่าดีแล้วสาวรีบุตรตรัสรับรองข้อความของท่านพระสารีบุตรซึ่งมีเนื้อความเหมือนกันทุกประการกลาระสูตรว่าด้วยพระกลาระพระผู้มีพระภาประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระกลาระคติยะ เข้าไปหาท่านพระสาวรีบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวดังนี้ว่าท่านสาวรีบุตรพระโมริยะภักคุณนะได้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นข้าระหัสแล้วท่านโมลิยาภักุณนะนั้นคงไม่ได้ความพอใจในพระธรรมวินัยนี้กระมังถ้าเช่นนั้นท่านพระสาวรีบุตรคงได้ความพอใจในพระธรรมวินัยน้กระมังท่านผู้มีอายุผมไม่สงสัยเลย ก็ต่อไปเราท่านไม่สงสัยเรือ่อท่านผู้มีอายุถึงต่อไปผมก็ไม่ลังเลลำดับนั้นพระกลารคัติยะลูกจักอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสาวรีบุตรพยากรณ์อรหัตผลว่า เรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรงมาจันแล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงมีรับสั่งเรียกท่านพระสาริบุตรเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าสาวรีบุตรได้ทราบว่าเธอพยากรอรหัตผลจริงหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์หาได้กล่าวเนื้อความโดยบทโดยพยัญชนะเช่นนี้ไม่สาวรีบุตรกุลบุตรย่อมพยากรอรหัตผลโดยปริยายคือโดยอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นอรหัตผลที่เธอพยากรไปแล้วบุคคลพึงเห็นตามที่เธอพยากรหรือไม่ท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าแม้ข้าพระองค์ก็ได้กราบทูลไว้อย่างนี้มิใช่รู้ว่า ข้าพระองค์หาได้กล่าวเนื้อความโดยบทโดยพยัญชนะเช่นนี้ไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรจึงพยากรอรหัตผลว่าข้าพระเจ้ารู้ชัดแล้วชาสิ้นแล้วอยู่จบรมอาจารย์แล้วทำกิจที่กวรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อถูกถามอย่างนี้ เธอพึงพยากรอย่างไรท่านพระสาวรีบุตรกราบทูลตอบว่าถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุเมื่อต้นเหตุแห่งชาตินั้นสิ้นไปแล้วข้าพระเจ้าจึงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นแล้ว เพราะปัจจัยแห่งชาตินั้นสิ้นไปแล้วครั้นรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นแล้วข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบลงมจรรันแล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ก็พึงพยากรณ อ, อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสาวรีบุตรก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรอย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์พึงพยากรอย่างนี้ว่าชาติมีพบเป็นเหตุมีพบเป็นเหตุเกิดมีพบเป็นกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิด และโดยในยะเดียวกันหากทุกถามว่าพบมีอะไรเป็นเหตุพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าพบมีอุปาทานเป็นเหตุอุปาทานมีอะไรเป็นเหตุพึงพยากรณ์ว่าอุปาทานมีตันหาเป็นเหตุตัญหามีอะไรเป็นเหตุพึงพยากรณ์ว่าตันหามีเวทนาเป็นเหตุเวทนามีอะไรเป็นเหตุ พึงพยากรว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นแดนเกิดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไม่ปรากฏเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรอย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ ถ้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าเวทนามีสามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุกขมาสุขเวทนาคือไม่ทุกและไม่สุขเวทนาทั้งสามประการนี้เป็นสภาวะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายจึงไม่ปรากฏ พระผู้มีพระภาตรัสว่าดีแล้วสาวรีบุตรตามที่เธอพยากรความข้อนั้นโดยย่ อ, อ ก, ก็ได้ใจความดังนี้ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นอันหนึง่งถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสาวรีบุตรเพราะความหลุดพ้นเช่นไรท่านจึงพยากรอรหั ต, ตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดแล้วเป็นต้นนั้น เมื่อเธอถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรอย่างไรท่านพระสาวรีบุตรกราบทูลว่าถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้พึงพยากรอย่างนี้ว่าอาสวกทั้งหลายไม่ครอบงำท่านผู้มีสติอยู่อย่างใดเราก็เป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นเพราะความหลุดพ้นในภายในปรอกอุปาทานทั้งปวงสิ้นไป ทั้งเราก็มิได้ดูหมินตนเองด้วยเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าดีแล้วสาวรีบุตรตามที่เธอพยากรณ์ข้อความนั้นโดยย่อก็ได้ใจความดังนี้ว่าอสวะเหล่าใดอันพระสมณะกล่าวแล้วข้าพระเจ้าไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงในอสวะเหล่านั้นว่าอสวะเหล่านั้น ข้าพเจ้าละได้แล้วหรือยังพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศสสดาตรัสภาสิทธิ์นลลวได้เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับเสด็จเข้าไปยังพระวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังพระวิหารได้ไม่นานนักท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผมซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อนผมจึงทูลตอบปัญหาล่าช้าไปต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาข้อแรกของผมแล้วผมจึงคิดได้ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคจะเพิงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยป ร, ริยายอื่นๆตลอดทั้งวัน แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายร together, รพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื hmm ่นๆตลอดทั้งคืนทั้งวันแม้ผมก็พึงทูลตอบข้อความนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนทั้งวัน และโดยในยะเดียวกันแม้พระผู้มีพระภาคตรัสถามข้อความนั้นตลอดสองคืนสองวันตลอดสามคืนสามวันจนถึงตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้โดยบทอื่นๆด้วยป ร, ริยายอื่นๆตลอดเจ็ดคืนเจวันลำดับนั้นพระกาลารัติยะลุกจากอาสนะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวมาทั้งหมดในกลาวนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุก็พรอบธรรมธาตุอันสารีบุตรแทงตลอดดีแล้วแม้จะถามข้อความนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันสารีบุตรก็คงตอบข้อความนั้นแก่เราด้วยบทอื่นๆ ด้วยปริยาอื่นๆตลอดทั้งวันและโดยในยะเดียวกันแม้เราจะถามข้อความนั้นๆกับสาวรีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยาอื่นๆตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืนทั้งวันตลอดสองคืนสองวันตลอดสามคืนสวันจนถึงตลอดเจ็ดคืนเจวันสาวรีบุตรก็คงตอบข้อความนั้นแกเราได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยาอื่น ๆ, ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันเช่นกันยานวัตถุสูตรว่าด้วยยานวัตถุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นตรัสแสดงเรื่องยานวัตถุ44ดังนี้คือความรู้ในชาาและมรณะ ความรู้ในความเกิดแห่งชราและมรณะความรู้ในความดับแห่งชราและมรณะความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะความรู้ในชาติความรู้ในความเกิดความดับในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติความรู้ในภพความรู้ในความเกิดในความดับในปฏิปทาที่ใหถึงความดับแห่งภพ ความรู้ในอุปาทานความรู้ในความเกิดในความดับในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทานความรู้ในตัณหาความรู้ในความเกิดในความดับในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหาความรู้ในเวทนาความรู้ในความเกิดในความดับในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา และโดยนัยะเดียวกันความรู้ในภัสตะในสลายตนะในนามรูปในวิญญาณในสังขารทั้งหลายในความเกิดความดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับเหล่านี้เรียกว่ายานวัตถุ44ชราและมรณะเป็นอย่างไร คือความแก่ความเคร่งเคร้าความเสื่อมอายุเป็นต้นนี้เรียกว่าชราความตายความจุติความเคลื่อนไปการทำกาละเป็นต้นนี้เรียกว่ามรณะเพราะชาติเกิดชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับอริยมรรคมีองค์8ปด คือสัมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความเกิดความดับและรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้นี้ชื่อว่าธรรมยานของอริยาสาวกเมื่อนั้น อริยาสาวกนั้นพิจารณาไนายะในอดีตและอนาคตด้วยธรรมะนี้ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างรู้แล้วสมณพราหมณ์ในอดีตเราได้เหล่าหนึง่งก็ได้รู้ชราและมรณะได้รู้ความเกิดความดับได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ เหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นสมณะพรามในอนาคตเราใดเราหนึ่งก็จักรู้ชะาและมรณะรู้จักความเกิดความดับรู้จักปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชะาและมรณะเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่าอัญวยายานของอริยสาวกนั้น ยานสองประการนี้คือธรรมยานและอันวยายานธรรมยานในที่นี้คือมัคคยานคือยานในอริยมรรคคือความอย่างรู้ที่ให้สําเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละขั้นส่วนอันวยายานในที่นี้หมายถึงปัจจเวคขณะยานคือยานอย่างรู้ด้วยการพิจารณาทบทวนคือสำรวจรู้มรรคผลกิเลสที่ละได้แล้ว กิเลสที่ยังเหลืออยู่และนิพพานเว้นพระอระหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ญานสองประการนี้คือธรรมยานและอัญวยะยานของอริยาสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พุทธพองอริยาสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง พูดถึงสัตธรรมนี้บ้างเห็นสัตยธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างจากนั้นตรัสถึงเรื่องชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไร อุปาทานเป็นอย่างไรตันหาเวทนาพัฏฐ์สลายตนะนามรูปและวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายมีเท่าไหร่สังขารมีสมประการคือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพรออาะอวิชชาดับสังขารจึงดับ อริยมากมีองค์แปดนี้เท่านั้นชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดสังขารทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดความเกิดความดับรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้นี้ชื่อว่าธรรมยานของอริยสาวกนั้นเมื่อนั้นอริยสาวกนั้น พิจารณาไยยะในอดีตและอนาคตด้วยธรรมะนี้ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างรู้แล้วสมณพราหมณ์ในอดีตรเราได้เหล่านึง่งก็ได้รู้สังขารทั้งหลายได้รู้ความเกิดความดับได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น สมณพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดก็จะรู้สังขารทั้งหลายรู้จักความเกิดความดับรู้จักปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่าอัญวยญาณของอริยส า, าวกนั้นภิกษุทั้งหลายญาณสองประการนี้คือธรรมญาณและอัญวยายญาณของอริยส า, าวก เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดพองอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างผู้ถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญากอันเป็นเสขารบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะรบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างทุติยายานวัตถุสูตรว่าด้วยยานวัตถุสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทรงแสดงยานวัตถุ77็สิบเจ็ดแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้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 ความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีความรู้ว่าธรรมะทิฏยานของชาตินั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาธรรมะทิฏยานหมายถึงความรู้เกี่ยวกับความเป็นไป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 เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ความรู้ว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีความรู้ว่าเมื่ออาวิชาไม่มีสังขารจึงไม่มีแม้ในอดีตความรู้ว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีความรู้ว่าเมื่ออวิชาไม่มีสังขารจึงไม่มีแม้ในอนาคตความรู้ว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มีความรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณของอวิชชานั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าญาณวัตถุ7็สบเจ อวิชชาปัจจะสูตรว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจใจพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นนั้น ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งเดชวุล ถ, ถามดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครตรัสตอบว่าภิกษุปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่า ชาลาและมรณะเป็นอย่างไรชาลาและมรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชาลาและมรณะเป็นอย่างอื่นชาลาและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองคำนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยานชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับซารีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติปรมจันย่อมไม่มี หรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพืชปรมอาจารย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีภิกษุนั้นกราบทูลถามว่าก็ชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใคร ทรงตอบว่าปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดกล่าวว่าชาติเป็นอย่างไรเป็นของใครหรือกล่าวว่าชาติเป็นอย่างอื่นเป็นของผู้อื่นทั้งสองมีความหมายอย่างเดียวกันเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติปรมจันย่อมไม่มีต ถ, ถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ ยอมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีและโดยนัยะเดียวกันภิกษุนั้นทูลถามว่าพบเป็นอย่างไรและพบนี้เป็นของใครทรงตอบว่าไม่ควรถามเช่นนี้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนณาเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี ภิกษุนั้นกราบทูลถามอีกว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครทรงตอบว่าปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเป็นของใครหรือกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นเป็นของผู้อื่นทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะคือตัวอักษรเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างการอยู่ประพฤติปรมจรันรย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมี เรออาอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นค่าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือว่าเป็นอย่างอื่นเป็นของผู้อื่นชีวะกับสารีระเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นคนและอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยาสาวกนั้น ลักได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้และโดยนัยะเดียวกันเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชาติเป็นอย่างไร เป็นของใครพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณเป็นอย่างไรเป็นของใครเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นฆาศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร สังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าเป็นคนและอย่างกันทิฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยาสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยะอวิชชาปัจจยสูตรว่าโดยอวิชชาเป็นปัจจัยสูตรที่สองเหตุการณ์เกิดขึ้นณกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรเป็นของใครหรือชราและมรณะเป็นอย่างอื่นเป็นของผู้อื่นคาทั้งสองนั้น มีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นคนและอย่างกันการอยู่ประพฤติปรงมจันร์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าพรสชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีและโดยนัยะเดียวกัน ผู้ใดพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรอุปาทานตันหาเวทนาภัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณเป็นอย่างไรผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นเป็นของผู้อื่นคําทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน เมื่อมีทิฏฐิว่าชีว่ากับสารีระเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติรมจันย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นฆาสึกอันบุคคลเสพผิด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 และโดยในยะเดียวกันเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรอุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเป็นของใครหรือว่าเป็นอย่างอื่นเป็นของผู้อื่น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 ว่าด้วยกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หเขตกรุงสาวัตถีตรัสเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่นกายนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ในที่นี้เป็นโวหารที่ท่านเรียกกายที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจการปรุงแต่งแห่งปัจจัยทั้งหลายตามกระแสปฏิจจสมุปบาทกายนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเกา่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสําเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมมณสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายในกายนั้นว่า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 ว่าด้วยเจตนาเหตุการณ์ณกรุงสาวัธีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณนาปัจจยัยหมายถึงธรรมชาติมีเจตนาเป็นต้น สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารัมมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณนะ โสกพริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอา ร, รมณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออา ร, รมณะปัจจัยมี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 มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอารามนาปัจใจเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารามนาปัจใจไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้ว ความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปจึงไม่มีเมื่อความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชารารโมระโสกาบริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ทุติยเจตนาสูตร ว่าด้วยเจตนาสูตรที่สองนารุงสวัสดีพระผู้มิพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารามนาปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารามนาปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัทธะจึงมีเพราะผัทธะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีและเป็นปัจจัยต่อกันโดยลำดับคือตัณหาอุปาทานพบชาติ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 เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชันนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นไม่เป็นอารามนาปั จ, จัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารามนณปัจจัยไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณ น, นั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตรนะจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ มีได้ด้วยประการชนนี้ตติยะเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาสูตรที่สามนากรุงสาวะัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใด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 เมื่อคติพบในการเวียนมามีจุติและอุบัติจึงมีเมื่อจุติและอุบัติมีชาติชรามรณะโสกศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภ<ฮ>ิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารามณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณะปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วนตติจึงมีเมื่อนตติมีคติพบในการเวียนมาจึงมีเมื่อกติพบในการเวียนมามีจุดติและอุบัติจึงมี เมื่อจุติและอุบัตมีชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญา จ, จึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉันี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอา ร, รมณะปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ เมื่ออารามณปัจจัยไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณ น, นั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วนาติจึงไม่มีเมื่อนาติไม่มีคติพบในการเวียนมาจึงไม่มีเมื่อคติพบในการเวียนมาไม่มีจุดติและอุบัติจึงไม่มี เมื่อจุติและอุบัติไม่มีชาติชราโมรณะโสกะบริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาจจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้จบวัดที่สี่กาลารัติยาวัค